เวลาที่คนเราตายอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็เกิดการรีไซเคลิลสมัยนี้เรานิยมรีไซเคิลของกันเพราะเรารู้ว่าของในโลกนี้มีปริมาณจำกัดถ้าเราใช้แล้วไม่เอากลับมาใช้ใหม่ต่อไปเราก็จะไม่มีของใช้กัน ร่างกายของพวกเราก็เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งประกอบขึ้นมาด้วยดินน้ำลมไฟธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวลาร่างกายตายธาตุดินน้ำลมไฟก็แยกตัวออกไปไปรีไซเคิลใหม่ น้ำก็กลับไปสู่น้ำลมก็กลับไปสู่ลมดินก็กลับคืนสู่ดินคนตายถ้าเราไม่ได้จัดการกับร่างกายคือซากศพนี่ปล่อยไว้สิ่งแรกที่ออกจากร่างกายไปก็คือลมธาตุลม กลิ่ น, นกลิ่นที่เราได้ดมกลิ่นของคนตายนี่ก็เป็นธาตุลมเหอยหออกไปธาตุที่สองที่ออกไปก็คือธาตุไฟความร้อนในร่างกายก็หายไปกลับไปสู่กลับไปสู่ธาตุธาตุไฟกลับไปรวมกับธาตุไฟธาตุลมก็ไปรวมกับธาตุลมต่อมา ก็น้ําก็จะไหลออกมาในน้ําต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเหงือ่อน้ําอะไรต่างๆก็อจะมาตามทวาลต่างๆถ้าทิ้งไว้ต่อไปมันก็จะแห้งกรอบร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็จะผุพังกายเป็นดินไป นี่แหละคือรีไซนะ์เขกลับไปในดินเดี๋ยวถ้าเอาไปนะในดินเดี๋ยวมันก็ต้นไม้ก็โผล่ขึ้นมาธนะาตุดินก็ได้ก็ผลิตต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้านี่ก็ต้องมีทั้งธาตุทั้งสีถึงจะเป็นขึ้นมาได้นะถ้าที่ไหนไม่มีครบทั้งสีนี่ พวกต้นไม้ใบหญ้าเจริญเติบโตไม่ได้เช่นในทะเลทรายมีธาตุดินมีธาตุลมมีธาตุไฟแต่ไม่มีธาตุน้ำก็ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าในน้ำในทะเลนก็มีแต่ธาตุน้ำไม่มีธาตุดินก็ขึ้นไม่ได้ต้องมีธาตุทั้งสี่ครบที่ตรงไหนที่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟ ไปก็คือความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้าไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือก็ไม่มีความร้อนมีน้ำน้ำก็แข็งเป็นหิมะมีดินอยู่ข้างใต้มีอากาศมีลมแต่ไม่มีไฟก็ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าแต่ไปอยู่ที่ที่มีครบทั้งสี่เราก็จะเห็นมีต้นไม้ใบยญ้า แล้วก็มีสัตว์มากินต้นไม้ใบายาแล้วก็มีมนุษย์มนุษย์นี่ก็อาศัยต้นไม้ใบายญ้านี่เป็นอาหารเป็นการนำเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟบางส่วนอีกส่วนก็เอาจากลมหายใจเข้าออกอีกส่วนหนึ่งก็เอาจากน้ำที่ดื่มเข้าไปร่างกายถ้ามีการเติมธาตุอยู่เรื่อยๆ รา่างกายก็จะมีการเจริญเติบโตออกจากท้องแม่มาตอนต้นก็อาศัยธาตุของพ่อกับของแม่มารวมกันมาผสมรวมกันแล้วก็เริ่มสร้างร่างกายขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นก็อาศัยธาตุที่แม่ได้เอาเข้าไปในร่างกายมาหลอเลี้ยงอาศัยอาหาร ที่แม่รับประทานเข้าไปอาถารอาศัยลมที่แม่หายใจเข้าไปอาศัยน้ำที่แม่ดื่มเข้าไป <c oughs> อาศัยความร้อนของร่างกายของแม่ก็ทำให้ร่างกายของทารกเจริญเติบโตขึ้นมาเพราะมีการหล่อเลี้ยงด้วยท่าทั้งสี่อย่างต่อเนื่องนั่นเองพอคลอดออกมาก็มีการเติมท่าทั้งสี่ ถ้าออกมาสิ่งแรกต้องทําก็ต้องหายใจเองต้องเติมลมเองนะเวลาอยู่ในท้องแม่นี้อาศัยลมที่มีอยู่ในท้องแม่ตอนนั้นไม่ต้องใช้ลมหายใจของตัวเองแต่พอออกมาจากท้องแม่ทีนี้ต้องหายใจเองต้องหายใจเข้าหายใจออกไปจนวันตายถ้าวันไหนหยุดหายใจวันนั้นก็เป็นวันนับวันเริ่มต้นของความตาย ของการรีไซเคิลร่างกายใหม่ออกมาก็หายใจแล้วก็ดื่มน้ำดื่มนมดื่มอาหารอาหารเหลวก่อนนมนี่ก็เป็นอาหารเหลวผสมกับน้ำํำต่อมาก็เริ่มกินอาหารแข็งได้อาหารอ่อนกินกล้วยกินอะไรกินข้าวต้มข้าวอะไร อลเดี๋ยวต่อไปก็เริ่มกินอาหารที่แข็งขึ้นได้มีฟันที่จะเคี้ยวอนี่ก็เป็นเรื่องของไซเคลิลรีไซเคิลของดินน้ำลมไฟถ้าภาษาไทยไซเคิลก็แปลวัดตัจักรวัดตัจักรของดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ก็เป็นที่ตั้งของดินน้ำลมไฟแต่นั้นเองส่วน ร่างกายจะทําอะไรได้หรือพูดได้คิดได้เดินได้นี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าใจใจนี้ก็เป็นธาตรู้ธาตรู้เมื่อมารวมกับธาตุสีคือเด่นน้ําลมไฟก็จะทําให้มีร่างกายเจริญเติบต่อขึ้นมาเราก็ธาตรู้คือผู้รู้ผู้คิดนี่คือใจนี่ ก็จะเป็นผู้คอยสอนคอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสอนให้ร่างกายหัดยืนหัดเดินหัดนั่งหัดวิ่งหัดทําอะไรต่างๆหัดเรียนรู้อะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายอันนี้แหละคือเรื่องของร่างกายเป็นการรวมตัวของาธาตุห้า ตัวร่างกายนี้มีอยู่สี่ธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟตัวธาตุรู้นี้คือผู้รู้ผู้คิดนี้ที่เราเรียกว่าจิตใจนี้มาเกาะติดกับร่างกายอีกทีหนึ่งถ้าเปรียบก็เหมือนกับคนที่ขี่ม้ากับมา้าร่างกายนี้เป็นเหมือนมา้าส่วนธาตุรู้คือจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนคนขี่มา้า คนขี่ม้าเป็นคนสั่งให้ม้าวิ่งใหให้ม้าเดินให้ม้าหยุดวิ่งมีที่บังคับคอยควบคุมมา้าสั่งให้มา้า เ, เดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเดินไปข้างหน้าเดินถอยหลังต้องมีคนสั่งคนสั่งนี้ก็คือาธาตุรู้ที่สั่งให้ร่างกายนี้มาทำอะไรกันวันนี้ก็สั่งให้มาวัด มาทำบุญมาทำทานมาทำธุระอะไรผู้สั่งนี้คือผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายเป็นเหมือนคนขี่มา้าไม่ได้เป็นส่วนของมา้าแต่มาเกี่ยวข้องกับมา้าเพราะว่ามาขี่มาใช้ม้าเป็นพาหนะจิตใจผู้รู้ผู้คิดหรือธาตุรู้น้ก็ เป็นเหมือนผู้ที่มาขี่ร่างกายมาสั่งร่างกายมาใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของชีวิตของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานก็มีร่างกายเหมือนมนุษย์มีท ร, ร ม, มาจากธาตุสีดินน้ำลมไฟเหมือนกัน สัตว์เดรัจฉานก็ต้องหายใจมีลมหายใจต้องดื่มน้ำต้องรับประทานอาหารไม่ต่างกันร่างกายของสัตว์เดรัจฉานกับร่างกายของมนุษย์นี่ทำมาจากาวัตถุชนิดเดียวกันคือทำมาจากดินน้ำลมไฟส่วนที่ต่างกันก็นกคือทารู้ที่มาควบคุมร่างกาย ของมนุษย์กับของเดรัจฉานนี่มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันธาตุรู้ของมนุษย์นี่มีความรู้ที่กว้างกว่าที่ลึกกว่าความรู้ของสัตว์เดรัจฉานจึงมีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานธาตุรู้นี่เป็นธาตุที่มีการพัฒนา หรือมีการเสื่อมอยู่ของเขาโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายถ้ารู้นี้มารวมกับร่างกายชั่วขณะที่ร่างกายมีชีวิตยอยู่พอร่างกายนี้ตายไปถ้ารู้ก็แยกตัวไปเหมือนคนขี่มา้าพอม้าตายคนขี่ม้าก็ เดินไปไม่มีม้าขี่ก็ต้องเดินไปก่อนเดินไปเพื่อไปหาม้าตัวใหม่มาขี่ถ้ารู้หรือจิตใจนี้ก็เหมือนกันพอร่างกายตายไปถ้ารู้คือผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ต้องไปโดยไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าล่องลอยไปเป็นดวงวิญญาณเพื่อไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้มาใช้ร่างกายอันใหม่ทำอะไรตามที่ทาธาตุรู้ต้องการจะทำใหม่ต่อไปนี่ก็คือเรื่องของความตายเป็นอย่างนี้ความตายก็คือการตายของดินน้ำลมไฟของการของการยุติการรวมตัวของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวเป็นอาการสามสิบสอง เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกนีพอมีเหตุที่ทำให้มันไม่หายใจมันก็หยุดที่จะอยู่ต่อไปได้มันก็จะเริ่มแยกตัวกันออกไปธาตุทั้งสี่ก็จะแยกตัวออกไปธาตรู้ก็ไปธาตรู้นี้ไปก่อนไง พอหยุดลมหายใจรับทารู้ไปแล้วแยกออกจากร่างกายไปธารู้นี่เขามีที่มาที่ไปของเขาสิ่งที่พาให้ทารู้มาหรือไปนี้คือกรรมนี่เองอกรรมคือการกระทาที่ทารู้ทาเวลาที่มีร่างกายเป็นเครื่องมือทําก็ทําได้สามแบบ ทำดีก็เรียกว่าบุญทำไม่ดีก็เรียกว่าบาปแล้วทำที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ไ ม, ไม่ไม่ชั่วก็เรียกว่าเป็นการกระทำกลางๆ ก, การกระทำสามอย่างนี้เป็นผู้ที่กำหนดว่าธาตุรู้หรือใจนี้จะไปไหนต่อพอร่างกายตายไปธาตุรู้นี้จะถูก กรรมที่ได้ทําสะสมมาไว้ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายซึ่งมักจะทําอยู่สามชีิตนี้มากน้อยก็แล้วแต่ความพอใจของผู้กระทําบางคนมีความพอใจที่กระทําบาปมากก็ทําบาปมากบางคนมีความพอใจที่จะทําบุญมากก็จะทําบุญมากบางคนก็เป็นคนที่กลางๆ บุญก็ไม่ค่อยทำบาปก็ไม่ค่อยทำทำอะไรที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปําทั้งสามชนิดนี้การกระทำทั้งสามชนิดนี้เป็นผู้ที่จะกําหนดหรือเป็นผู้บงการให้ใจที่ไม่มีร่างกายนี้ไปไปไหนต่อตอนนี้ไฟ กล้องมันติดอยู่นะเห็นไฟไมเห็นไฟกล้องมันติดอยู่ยนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาที่เกิดการตายขึ้นมาถ้าพูดตามความจริงแล้วความตายก็ไม่ใช่เป็นความตายเป็นการสิ้นสุดของการทำงานของระบบทำงานของร่างกายเท่านั้นเอง ร่างกายหยุดทำงานเมื่อร่างกายหยุดทำงานส่วนประกอบที่มารวมตัวให้มีร่างกายมันก็แยกตัวกันไปมันก็รีไซเคิลของมันน้ำมันก็กลับไปหาน้ำไปรวมกับน้ำลมก็กลับไปรวมกับลมไฟก็กลับไปรวมกับไฟดินก็กลับไปรวมกับดินธาตุรู้ก็ไปตามอำนาจของบุญกรรมที่ได้ทำไว้ะ ถ้ารู้เวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ก็มีแบ่งเป็นดวงวิญญาณแบบดีแบบไม่ดีแบบกลางๆลงแบบดีก็เรียกว่าเทวดาแบบไม่ดีก็เรียกนรกเปรตสุลกายแบบกลางๆนี้ก็เรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้จะมี ถ้ารู้ที่มีมีกรรมเป็นกลางคือคือถ้ามีบุญก็มีบุญเท่ากับบาปไม่บ้ากากันถ้าช่วงไหนมีบุญมากกว่าบาปถ้ารู้นี้ก็จะเป็นพวกเทวดาไปถ้าถ้าถ้าช่วงไหนมีบาปมากกว่าบุญถ้ารู้นี้ก็จะเป็นเปรต เ, เป็นนสุลกายเป็นนรก ในช่วงที่ไม่มีร่างกายจะมีร่างกายได้ก็ต้องรอให้ให้ใจเป็นกลางก่อนให้กรรมที่ได้ทำไว้ลดลงมาเท่ากันก่อนให้บุญกับบาปที่ได้ทำเอาไว้มามีปริมาณมีน้ำหนักเท่ากันก็เลยจะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะไปรอรับร่างกายของมนุษย์ เราต้องการใช้ร่างกายของมนุษย์มาเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเพราะว่าในใจนอกจากมีบุญมีบาปแล้วยังมีความอยากความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายทางร่างกายมีอะไรก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้น มีร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไปเสพไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสกับโภถภะนี่เองเพราะว่าเวลาที่มีความอยากเสพรูปพอได้เสพรูปที่ต้องการได้เสพก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาต้องการเสพเสียงที่ต้องการพอได้เสพเสียงที่ต้องการก็เกิดความสุขขึ้นมาะ การที่ใจหรือถ่ารู้นี้จะมีความสุขได้จึงต้องอาศัยร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถเสพความสุขใหม่ได้ก็ต้องอาศัยเสพความสุขที่ได้จากการทำบุญแต่ถ้าบุญที่เสพหมดไปก็ต้องมารอให้มีร่างกาย เรามารับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่พ่อแม่คนใหม่เดี๋ยวเขาแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวเขาก็เริ่มก่อนละสร้างร่างกายคนใหม่ขึ้นมาถ้าดวงวิญญาณอยู่มาจังหวะพอดีมาได้มาเจอพ่อแม่ที่กำลังสร้างร่างกายใหม่อยู่ก็สามารถเข้าไปเกาะติดไว้ได้เลยพอเกาะติดก็มีกะบวนการ ตั้งคันขึ้นมาแล้วก็มีการจเจริญเติบโตของทารกในคันจนออกมาคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็จเจริญเติบโตแล้วธาตุรู้คือจิตก็เริ่มหัดสอนให้ร่างกายทาอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้ไปหาสิ่งต่างๆที่จิตใจต้องการจิตใจต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ เป็นเหมือนกับลมหายใจของจิตใจร่างกายต้องมีลมหายใจชั้นใดจิตใจก็ต้องมีรูปเสียงกดลิ่นรสผดพทพะถึงจะมีความสุขจิตใจจะทุกข์เวลาที่อยู่ในที่ที่ไม่มีรูปเสียงกดลิ่นรสผดพทพะให้เสกจึงต้องหารูปเสียงกดลิ่นรสชนิด ต, ต่างๆมาเสกผ่านทางตาหูจมูกร่างกาย การหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ก็ทําให้เกิดการกระทําบาปตามมาได้เพราะเวลาบางทีหาแบบที่ไม่ทําบาปไม่ได้ก็ต้องไปหาแบบทําบาปเช่นบางคนอยากจะได้สิ่งของแต่เงินไม่มีซื้อแต่อยากจะได้สิ่งของก็ต้องไปขโมยสิ่งของนั้น หรือไปขโมยเงินของผู้อื่นเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อก็จะมีการเกิดการกระทำบาปตามมาการเป็นมนุษย์นี้การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้โอกาสที่จะทำบาปนี้มีมากกว่าโอกาสที่จะทำบุญนอกจากผู้ที่โชคดีมาเกิดกับครอบครัวที่มีฐานะมีการเงินการทองที่ดี อยากจะได้อะไรก็สามารถขอจากพ่อจากแม่ได้ก็ไม่ต้องไปขโมยของคนอื่นไม่ต้องไปทำบาปแต่ก็ยังมีโอกาสทำบาปในรูปแบบอื่นอยู่เช่นก็อาจจะโกหกได้อยู่อาจจะทำอะไรผิดแล้วถูกถามก็อาจจะโกหกบอกว่าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสทำบาปได้อยู่ หรือถ้าไปเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่คิดว่าจะมาทาอันตรายก็อาจจะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านั้นไปก็ได้เช่นฆ่ามดฆ่ามแมลงต่างๆการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่โอกาสที่จะทำบาปหรือเหตุการณ์ที่จะทาให้พาพาให้ไปทำบาปนี้มีอยู่เรื่อยๆจะทำหรือไม่ทำนี้ก็ขึ้นอยู่กับ มาเกิดในครอบครัวไหนถ้ามาเกิดในครอบครัวที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปก็จะคอยห้ามไม่ให้ทําบาปเวลาเห็นทําบาปก็จะเตือนจะสอนและอาจจะลงโทษถ้าสอนแล้วไม่จําก็อาจจะมีการลงโทษเพื่อให้จดให้จําเพื่อที่จะได้ไม่ทําบาปต่อไปก็ถือว่าเป็น โชคที่ได้มาเกิดในครอบครัวที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปที่จะสอนให้ไม่ให้ทำบาปสอนให้ทำบุญเพราะว่ามีการเรียนรู้ว่าการทำบาปนี้มีผลเสียต่อจิตใจการทำบุญนี้เป็นประโยชน์ต่อจิตใจอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดารงชีวิตอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ก็จะทำอะไรต่างๆ ต, ตามความอยากแล้วก็อาจจะทำบาปถ้ามีเหตุการณ์มาบังคับให้ทำบาปคือมีความอยากได้บางสิ่งบางอย่างแล้วไม่สามารถได้มาโดยวิธีไม่ทำบาปก็จะไปทำบาปเพราะเวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากจะทำอะไรแล้วใจมันไม่มีความสุข ใจมันจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญก็ต้องหาวิธีบรรเทากำจัดความหงุดหงิดลำคาญด้วยการทำตามความอยากเมื่อไม่สามารถทำตามความอยากได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็จะไปทำด้วยวิธีทำบาปนี่ก็ทำไมคนเราจรึงมาเกิดมาแล้วจึงมาทำบาปกัน การทําบุญก็มีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะมีน้อยกว่าการทําบาปการทําบาปนี่ยากกว่าการทําบุญนี่ยากกว่าเพราะว่าจะต้องมีการเสียสละสิ่งที่ที่ตนชอบตนรักไปอคือข้าวของเงินทองต่างๆแต่ถ้าได้ไปศึกษาได้ยินได้ฟังถึงคุณประโยชน์ของการทําบุญะ ก็อาจจะอยากจะทาบุญเพราะถ้าได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก็จะได้เรียนรู้ว่าการทาบุญนี้เป็นการทาประโยชน์ให้กับจิตใจของตนที่ต่อไปจะต้องอาศัยบุญเป็นเป็นปัจจัยให้ความสุขเวลาร่างกายตายไปใจไม่สามารถหาความสุขผ่านทางล่างกายได้ ถ้าใจมีบุญบุญนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมาให้ความสุขกับใจถ้าได้ยินได้ฟังคำสอนเหล่านี้ก็อาจจะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อก็จะพยายามทำบุญไปตามโอกาสตามความสามารถอันนี้คือเรื่องราวของจิตใจเวลาที่มา ก็ติดอยู่กับร่างกายจิตใจนี่หละเป็นตัวสำคัญยิ่งกว่าร่างกายร่างกายถ้าดูดีๆแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือของจิตใจให้จิตใจรับใช้จิตใจใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้ คยรับใช้ตอบสนองความอยากความต้องการของจิตใจแล้วร่างกายนี้จะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไม่เหมือนกับผลที่จะกระทบกับจิตใจเวลาที่ร่างกายทำบาปหรือทำบุญนี่ร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี่คือจิตใจ สังเกตได้เวลาทำบุญแล้วจิตใจจะสบายจะมีความสุขเวลาทำบาปแล้วจิตใจจะมีความทุกข์จะมีความไม่สบายใจนอกจากการทำบาปที่ทำให้จิตใจมีความไม่สบายใจแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตใจไม่สบายได้นั่นก็คือกิเลสตัณหา เวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมาเวลาเกิดความโลภนี้ใจก็ไม่สบายแล้วเวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ช่วงที่เขาตั้งคอมอกันนี้มคนอยากได้นี้มีความสุขไ่เกินไม่ได้นอนไม่หลับชาวบ้านนี้ไม่รู้เรื่องนอนหลับสบาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้กับสบายกว่าเพราะไม่มีความอยากที่จะเป็นตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งนี้แต่คนที่เกี่ยวข้องคนที่อยู่ใกล้คนที่มีโอกาสจะได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จะเครียดขึ้นมาทันทีเครียดเพราะความอยากอยากได้ตำแหน่งนั้นอยากได้ตำแหน่งนี้แต่ไม่มั่นใจว่าจะได้หรือไม่ก็ต้องดิน้ดนรนต้องพยายามทาอะไรต่าง นี่คือเหตุที่ทำให้ใจมีความไม่สบายใจมีสองเหตุด้วยกันคือหนึ่งการกระทำบาปทำให้ใจไม่สบายสองการมีความอยากต่างๆมีความโลภหรือมีความโกรธนะเวลามีความโกรธก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะโกรธใครขึ้นมาแล้วอาฆาตพยาบาทอยากจะตอบโต้อยากจะ ล้างแค้นถ้ายังไม่ได้ล้างแค้นนี่ก็ยังไม่สงบยังวุ่นวายยังกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกว่าจะได้ล้างแค้นแล้วถึงจะสงบลงแต่พอล้างแค้นแล้วก็ไปทำบาปก็เกิดความไม่สบายใจอีกแบบหนึ่งขึ้นมาไม่สบายใจกลัวว่าจะต้องรับผลบาปเพราะเวลาทำบาปนี้เขามี การลงโทษผู้กระทำบาปกันนี่เรื่องของจิตใจเนี่ยจิตใจของพวกเราทุกคนเนี่ยมีสุขมีทุกข์จากการกระทำของจิตใจเองอถ้าทำบุญก็จะมีความสุขถ้าทำบาปก็จะมีความทุกข์ถ้ามีความอยากมีความโลภความโกรธความหลงก็จะเกิดความทุก ข, ข์ขึ้นมา ทีนพวกเราทุกคนนี้ก่อนมาก็ต้องการความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีใครต้องการความทุกข์กันแต่เราจะไม่รู้เรื่องราวของจิตใจที่เราได้ยินได้ฟังในขณะนี้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้รับพบกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องจิตใจ พระ อ, องค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าจนพบว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจไม่สบายอะไรเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจสบายมีความสุขพระ อ, องค์ก็เลยทรงปฏิบัติจนทำให้จิตใจของพระ อ, องค์นี้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแล้วก็กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในจิตใจของพระ อ, องค์ให้หมดสิ้นไป พอพระองค์ทาได้สาเร็จมีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยพระ อ, องค์ก็ทรงเมตตาเอาความรู้นี้มาสั่งสอนให้กับพวกที่ไม่รู้อย่างพวกเราต่อไปถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของร่างกายและจิตใจอย่างละเอียดแบบที่ได้ยินได้ฟังในตอนนี้ ต่อให้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกนไปฮาวาดไปเอมไทีไปออกซฟอร์ดไปเคมบริดจ์ก็จะไม่ได้เรียนวิชาความรู้เหล่านี้เขาก็ยังจะไม่รู้จักเหตุว่าอะไรทำให้ใจเขาทุกข์อะไรจะทำให้ใจเขาสุขเขากลับไปไปเห็นว่าการที่จะทำให้ใจเขาสุขนี้ต้องทำบาป ถ้าอยากได้อะไรแล้วใจไม่สบายต้องทำต้องเอาให้สิ่งที่อยากได้มาให้ได้ไม่อยากได้สิ่งที่อยากได้มาถึงจะมีความสุขก็จะต้องทำบาปแต่เขาไม่รู้ว่าหลังจากที่ได้สิ่งที่เขาอยากได้มาแล้วใจของเขาก็ยังไม่สุขความทุกข์ก็ยังไม่หายไปความไม่สบายใจแบบใหม่ก็โผล่ขึ้นมาความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากหายไป พราะได้สิ่งที่อยากได้แต่ความไม่สบายใจที่เกิดจากการทํำบาปในการที่จะได้สิ่งที่อยากได้มันก็โผล่ขึ้นมาแทนที่ดันั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาของความไม่สบายใจในโลกนี้ไม่ว่าใครก็ตามไม่มีใครแก้ปัญหาเรื่องของความทุกข์ใจได้ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยงจาก ฮาวิ Harvard, หรือจากออกซฟอร์ดหรือจาก Cambridge, เคมบริดจ์ก็ยังเจอความทุกข์ใจอยู่พราะสถาบันการศึกษาเหล่านี้ไม่มีใครรู้วิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้มีสถาบันเดียวในโลกนี้ที่สอนก็คือพระ พ, พุทธศาสนานี้เองเเพอเรามาพบกับพระพุทธศาสนา เรามาฟังเทศฟังธรรมนี่แสดงว่าเรามาศึกษาแล้วมาเรียนกันแล้วทีนี้การเรียนก็อยู่ที่เราว่าเราจะเรียนแบบไหนเรียนแบบชั่วคราวหรือเรียนแบบเอาจริงเอาจังบางคนฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไปตามธรรมเนียมถูกสอนมาว่าการฟังเทศฟังธรรมแล้วดีมีประโยชน์ก็ฟังไปแต่อาจจะฟังแบบ ไม่ตั้งใจฟังก็ได้เวลาฟังใจก็อาจจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอฟังเสร็จก็ไม่เข้าใจว่าฟังอะไรไปฟังแบบนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าตั้งใจฟังแล้วก็จะได้ความรู้ที่เป็นความรู้จริงความรู้ที่เกี่ยวกับจิตใจความรู้ที่จะบอกเราว่า อะไรจะทำให้ใจเรามีความสุขอะไรจะทำให้เรามีความทุกข์แล้วจะสอนวิธีสร้างความสุขขึ้นมาด้วยและสอนวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้ด้วยนอกจากสอนว่าอะไรทำให้เกิดความสุขอะไรทำให้เกิดความทุกข์แล้วยังสอนว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาได้ จะทำยังไงถึงจะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นนี้เป็นความรู้ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบแล้วนำเอามาสั่งสอนโดยสอนโดยสรุปเป็นสามหัวข้อใหญ่ๆในเรื่องของการกำจัดความทุกข์และสร้างความสุขให้กับใจ ข้อที่หนึ่งเมื่อบาปเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ใจท่านก็สอนให้เราละบาปกันอยากไปทำบาปตรงไปตรงมาเป็นด้วยเหตุด้วยผลถ้าทุบศีสระแล้ ว, ลวทาให้เราปวดศรีรษะก็อย่าไปทุบศรีรษะเราสิเห็นที่เราปวดศรีรระเพราะเราเอาของแข็งมาทุบศรีรษะเราถ้าไม่อยากจะให้ศรีรษะเราปวดเราก็หยุดทุบศรีรษะเรา ศีรษะเราก็จะไม่ปวดนะใจเราก็เหมือนศีรษะเนี่ยที่ปวดใจที่ทุกข์ใจก็เพราะว่าเราไปทำบาปกันนั่นเองทำบาปแล้วถามจริงๆสบายใจไหสุขใจไหมไม่สบายใจไม่สุขใจเราไปทำทำไมใช่ไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งสงสารว่าให้ละการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็บอกว่าอะไรเป็นการกระทำบาปเนย บาปก็มีหนึ่งการฆ่าทำร้ายชีวิตของผู้อื่นหรือของตนเองเรียกว่าบาปทำแล้วจะทำให้ใจทุกข์สองการลักทรัพย์การเอาของของผู้อื่นมาโดยที่ไม่ได้อนุญาตไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสามการไปประพฤติผิดประเวณีก็ไปย่างสามีย่างภรรยาของผู้อื่นนั่นเอง ก็เป็นเหมือนการลักทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าสามีภรรยาเราไม่เรียกว่าทรัพย์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นบุคคลเราไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็เหมือนกับไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นนั่นแหละแล้วสี่ก็การพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงการหลอกลวงโกหกหลอกลวงก็จะทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายได้ หลอกลวงว่าตรงนั้นมีอะไรพอเขาเชื่อไปทําตามก็ไม่มีตามที่เราบอกแล้วก็หลอกเก็บเงินเขาว่าถ้าอยากจะได้ต้องให้เงินเขาก่อนถึงจะบอกว่าตรงนั้นมีของดีพอจ่ายเงินให้แล้วก็พอไปหาไม่มีดังที่บอกก็เรียกว่าหลอกลวงเช่นพวกที่ขายสินค้าหลอกลวงที่เป็นข่าวข่าวกันอยู่ทุกวันนะ ความสวยความเสริมความงามต่างๆนี่ถูกหลอกลวงกันก็ยังหลงเชื่อครีมชนิดนี้ทาแล้วจะทําให้ผิวกลายเป็นผิวของนางฟ้าขึ้นมาสิวฝ้าอะไรต่างๆหายไปหมดจะไม่โผล่ขึ้นมาถูกหลอกลวงกันแต่ก็เชื่อกันเพราะความอยากอยากได้ผิวสวยผิวงามพ อ, อมียามีวิมีมีมม ขบวนการอะไรที่จะทำให้ผิวสวยผิวงามผิวไม่ย่นไม่หย่อนก็อยากจะได้กันทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นเหยื่อของพวกที่ชอบหลอกลวง น, นี่คือการทำบาปมีอยู่สี่ข้อแล้วมีการกระทำที่เรียกว่าสนับสนุนให้เกิดการกระทาบาปได้ง่ายอันนี้เรียกว่าอบายามุกอบายามุกก็มีอีก 4ี่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการการเล่นการพนันสาการเที่ยวเต่สี่ความเกลียดข้านหการคบคนชอบอาบายามุกเป็นมิตรอันนี้เป็นการกระทาที่จะทำให้ผู้กระทานี้ไปทำบาปได้ง่ายเพราะเป็นผู้ที่ จะต้องทำบาปถ้าเกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านี้ถ้าเดิมสุรายาเมาแล้วก็จะทำให้เกิดขาดสติขึ้นมาสติที่จะมาควบคุมความคิดที่ไม่ดีควบคุมการพูดการกระทำที่ไม่ดีใจของเรานี้มันคิดไปทั้งวันคิดทั้งเรื่องดีแล้วเรื่องไม่ดี แต่ช่วงที่เรามีสตินี้เรามักจะยับยั้งความคิดที่ไม่ดีได้บางทีเห็นเขาเน้นหม่นไส้เขาอยากจะไปตบหน้าเขาก็อย่าทําดีกว่าเดี๋ยวมีเรื่องอะถ้ามีสติก็ไม่ทําแต่ถ้ากินเหล้านี่ไม่แน่นะพอเมาแล้วนี่พอเกิดหม่นไส้ใครขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปด่าเขาไปทุบไปตีเขาละนี่สุราท่านถึงห้ามไม่ให้ดืม่ม ดืมแล้วเดี๋ยวมันไม่มีสติแล้วพอคิดที่จะพูดไม่ดีทำไม่ดีมันจะไม่มีอะไรมายับยัง้งสังเกตคนที่เมาสุราแล้วจะเป็นคนที่น่าเกลียดใช่ไหมพูดวาจานี่หยาบคายธรรมดาถ้าไม่เมาเนี่โอ้ยเรียบร้อยสุภาพเขาเรียกว่าสุรานี้เป็นน้ำเปลี่ยนยนิสัยคน นิสัยคนเรียบร้อยเวลาเดืมไม่เดื่มสุลานี่เรียบร้อยขับผมขะขาพอเดืมสุลาเข้าไปขับผมขะขาหายไปมุงกูเพืโผลออกมาไอ้หงไายหานี่โผลมานี่เขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนในการทำบาป พ, พระพุทธเจ้าเลยต้องบัญจุไว้ในสีลห้าตัวนี้สำคัญ <mister ius> เพราะว่าถ้าลองเมาแล้วทีนี้เกิดเรื่องแน่ๆไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเมาแล้วขับรถกลับบ้านเดี๋ยวก็ไปชนกับคนนั้นคนนี้เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและตนเองอาจจะเดือดร้อนด้วยตนเองก็อาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือถึงแก่ความตายไปก็มีดังนั้นพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนมาไม่ให้เสพอบายมุก ดื่มโซดาแล้วจะทาให้ขาดสติเล่นการพนันจะทำให้หมดเนื้อหมดตัวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดเล่นมันเล่นอาจจะชนะเวลาชนะก็อยากจะเล่นต่อเพราะหาเงินแบบนี้มันสนุกกว่าไปทำงานแต่พอเล่นต่อเดี๋ยวก็เสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นต่ อ, อ มันก็ไม่มีวันหยุดได้ก็เล่นต่อเสียก็เล่นต่อถ้าเล่นไปได้เรื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องเสียพอเสียไม่มีเงินก็ขายทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองพอขายหมดทีนี้ก็ไปโกหกหลอกลวง ย, ยืมเงินคนนั้นยืมเงินคนนี้มาเล่นต่อพอยืมไม่ได้ก็ไปลักขโมยต่อเนี่ยมันกระบวนการที่จะพาให้ไปทําบาปถ้าเล่นการพนัน เพราะการพนันนี้มันจะนําไปสู่การสิ้นเนื้อประดาตัวเช่นเดียวกับการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวการเล่นมันก็ไม่มีรายได้การเที่ยวการเล่นนี่มีแต่รายจ่ายไปเที่ยวออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านทีหมดไปกี่ตังค์ไปต่างประเทศทีหมดไปกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยมันมีแต่หมดมันไม่มีรายได้แต่สําหรับคนที่มีแล้ว มีรายได้แล้วก็รู้จักประมาณก็ไม่มีความเสียหายมากแต่ถ้าเกิดเที่ยวแล้วติดนี่จะเที่ยวอย่างเดียวจะไม่ไปทำงานไม่หาเงินเพราะคิดว่ามีเงินเหลือเฟือต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าลองเที่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันถ้าไม่หามาเติมเดี๋ยวมันต้องหมดได้พอหมดแล้วทีนี้ก็ต้องไปช่ อ, อกโกงพวกนายทางอาคารบางทีใช้เงินเก่ง พอเงินตัวเองไม่พอใช้ก็เอาเงินของคนฝากในธนาคารนั้นแหละไปใช้เพราะคนฝากในธนาคารก็ไม่รู้เห็นไหมมารู้ก็ตอนที่ธนาคารล้มซะแล้วเห็นไหมสถาบันการเงินห้าสิบกาสถาบันเนี่ยล้มเพราะว่าคนรวยเอาเงินของคนจนไปใช้กันะไปเที่ยวไปกินไปดืม่มอยู่กันแบบคนร่ำคนรวยกันแล้วพอพอหมุนเงินไม่ทันมันก็จบะ พอจบก็เลยต้องล้มละลายไปแต่พวกนี้เขาล้มบนบนบนเบาะเขารู้กฎหมายเขาไม่เอาเอาตัวงเขาไปเสี่ยงเขาตั้งบริษัทแทนเขาเวลาล้มก็บริษัทล้มไปแต่ตัวเขาไม่ล้มด้วยนนี่ก็กระบวนการของคนโกงใช่ไคนทําบาปถึงแม้เขาจะได้ทรัพย์ได้โกงแต่ใจเขาไม่มีความสุข ใจเขาก็วิตกกังวลอยู่เรื่อยว่าจะล้มเมื่อไหร่จะถูกจับเมื่อไหร่อันนี้เรื่องของอบายามุขการพนันดื่มสรุราการเที่ยวแล้วความเกลียดค้านก็เป็นอบายามุขเพราะความเกลียดค้านไม่ผลิตรายได้ไม่ยอมไปทำงานจะเที่ยวอย่างเดียวจะกินจะเล่นจะใช้เงินอย่างเดียวเพราะบางทีพ่อแม่ก็ส่งเสริม พ่อแม่รวยบางคนก็สงสารลูกไม่อยากให้ลูกเหน็ดเหนื่อยทุกยากลาบากก็มีแต่ให้เงินให้เงินแต่ไม่สอนให้ลูกไปหัดทำงานหาเงินพอโตขึ้นก็หางานทำงานไม่เป็นรู้แต่ใช้เงินก็ผ่านเงินทองของพ่อแม่ไปถนะ้า<ม>หมดเดี๋ยวก็ต้องไปทําบาปชอบโกงต่อไป นี่คืออบายมุกอันที่ห้าก็คืออย่าไปคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตรคนที่ชอบดื่มสุราคนที่ชอบเล่นการพนันคนที่ชอบเที่ยวเตะคนที่ชอบความเกียจคร้านนี่อย่าไปคบกับเขาเพราะคบแล้วเขาจะชวนไปทำในสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาชอบดื่มสุราเดี๋ยวก็ชวนไปดื่มสุราชอบเล่นการพนันก็จะชวนไปเล่นการพนัน ชอบความเกียดข้านก็จะชวนให้เกียดค้านชอบเที่ยวก็จะชวนให้เที่ยวแล้วเราก็จะติดนิสัยไม่ดีมาได้ น, น, นี่คือเรื่องของการกระทำบาปพยายามละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วความรู้สึกที่ไม่สบายใจที่เกิดจากการกระทำเหล่านี้ก็จะหายไป น, น, นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งที่ท่านสรุปรวม ง่ายๆไว้ว่าละการกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองท่านบอกให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมก็คือทำรูปทาบุญทุกรูปแบบที่เราสามารถจะทำได้บุญนี้ทำได้ไหนหลายรูปแบบบริจาคเงินทองนี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งบริจากกับวัดก็ได้ก็เป็นการทำบุญบริจาค ก, กับโรงพยาบาลกับโรงเรียน กับองค์กรสาธานะรณะกุศลต่างๆบริจาคให้กับคนทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนคนยากคนจนบริจาคอะไรต่างๆคือการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองให้แก่ผู้ที่เขาทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนขาดแคลนนี่ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญกุศลต่างๆหรือไม่มีเงินทองก็สามารถใช้กําลังกายใช้กําลังความคิดมาเป็น การให้ก็ได้ไม่มีเงินมีทางแต่มีความรู้พวกครูอาจารย์ส่วนใหญ่นี้ไม่รวยกันแต่มีวิชาความรู้ก็อาจจะสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งหรือคนที่ไม่มีความรู้แต่มีเวลาว่างมีกําลังกายก็ไปทําประโยชน์ ไปช่วยกวาดถ้ามาวัดบางคนก็มาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำมีสามีอยู่คู่หนึ่งเห็นมาทุกวันจันทร์พอวันจันทร์ป๊อปมาแล้วไปเข้าห้องน้ำไปทำความสะอาดห้องน้ำอันนี้ก็เป็นการกระทำบุญทากุศลคือทำความดีในทุกรูปแบบพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราทำความดีในทุกรูปแบบวิธีที่เราจะรู้ว่า ความดีหรือบุญนี้เป็นยังไงก็ให้ดูจากคํานิยามนี่ว่าการกระทําทางกายทางวาจาหรือทางใจที่จะทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นหรือตนเองและไม่กิดโทษแก่ผู้อื่นหรือตนเองเรียกว่าเป็นการทําความดีเป็นการทําบุญนี่คือเพราะทำแล้วทําบุญทําความดีแล้วใจจะมีความสุข กดมาล้างซ่วมทั้งว่ า, า ม, มีความสุขเขาไม่มาหรอกเชื่อไหมเพราะซ่วมมันก็เหม็นไม่มีใครอยากจะเข้าไปเข้าไปเพราะมันจำเป็นแต่ถ้าไม่จำเป็นไม่มีใครอยากจะเข้าซ่วมกันแต่คนที่เข้าซ่วมด้วยความสมัครใจนี่แสดงว่าเขาต้องมีความสุขจากการไปเข้าสุวมจากการไปทำความสะอา้องซุ่มการทำความดีแล้วมันจะทำให้ใจเรามีความสุขเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม กอดแห่กรรมท่านบอกไว้อย่างนี้ว่าให้ความสุขกับใครความสุขนั้นจะกลับมาหาเราให้ความทุกข์กับใครความทุกข์นั้นจะกลับมาหาเราทําบาปนี้ให้ความทุกข์กับผู้อื่นพอให้ความทุกข์กับผู้อื่นแล้วความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาในใจเราทันทีทําบุญแล้ว ให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขในใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ต้องไปรับรางวัลจากใครไม่ต้องไปรับรางวัลจากผู้อื่นผลของบุญของของบาปนี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปรอรับรางวัลหรือไม่ต้องไปรับโทษคนที่คิดว่าทำบาปแล้วไม่ติดคุกนี่ยังไม่ได้รับผลบาปไม่รู้หรอกเพราะไม่ได้ดูที่ใจของตนเอง อ๋อถ้าดูที่ใจของตนเองจะรู้เลยว่าทุกข์มันโผล่ขึ้นมาแล้วเวลาทําบาปถึงแม้จะไม่ได้ถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางก็ตามแต่ความทุกข์ใจมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่ใช่จะเกิดเฉพาะตอนที่เราทําตอนที่เรามีชีวิตอยู่ความทุกข์ใจความสุขใจที่เราได้ทําจากได้จากการทําบุญหรือทําบาปนี่มันจะสะสมไว้ในใจต่อไปนี่แหละไอ้สองตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะ ชีท้ทางไปของใจว่าจะไปไปสูงหรือไปต่ำนะถ้าเราทำบาปไว้มากกว่าทำบุญเนี่ยบาปมันจะมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจลงต่ำดึงไปอบายดึงไปนรกเนะี่ยถ้าบาปมันมีถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญมันก็จะดึงใจให้ขึ้นสูงไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้นะนี่เป็นผล จากการทำบุญและทำบาปไม่ใช่จะเกิดฉพระในขณะที่เราทำนั้นมันยังสะสมเก็บเอาไว้อยู่ในใจเราเรื่อยๆแล้วนานๆมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราดูเห็นเป็นหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างของบุญของบาปนี้เป็นอย่างไรก็ตอนที่เรานอนหลับนี่แหละนอนหลับเรามักจะฝันกันบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายถ้าฝันดีก็แสดงว่าบุญในใจเรามีมากกว่าบาป ถ้าฝันร้ายนี่แสดงบอกแล้วว่าบาปของเรามากกว่าบุญแล้วนะให้รีบไปเติมบุญให้มากขึ้นให้มันมากกว่าบาปให้ลดการกระทำบาปให้น้อยลงเหมือนสมัยนี้คนเราต้องคอยชั่งน้ำหนักอยู่เรื่อยใช่ไหยดูว่ามันจะขึ้นกี่กิโลพอเริ่มขึ้นมากก็ต้องถอยละต้องหยุดกินละถ้ า, ถ, าถ้าลดลงมากก็ก็เพิ่มกินได้ถ้าไม่คอยวัดมันจะไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงอันนี้เหมือนกัน การฝันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับตาช่างของใจเราจะช่างบอกเราว่าใจของเราตอนนี้หนักไปในทางไหนหนักไปในทางบาปหรือหนักไปในทา ง, ทางบุญเพราะว่าอานิสงส์ของการทําบุญนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าผู้ที่ทําบุญผู้ที่มีความเมตตานี้นอนหลับจะไม่ฝันร้ายตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เทวดาจะคุ้มครองรักษาตายไปก็จะไปสู่สุคตินี่คือเรื่องของผลของบุญที่เราทาผลของการกระทำความดีงั้นเวลาเราทำความดีอย่าไปหวังผลจากผู้อื่นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำความดีแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการซื้อขายซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนเวลาเราเอาเงินไปให้ร้านขายของแล้ว เ, เขาก็ให้ของเรามา อย่างนี้ไม่ได้ทำบุญถึงแม้เราจะให้เงินเขาแต่เราไม่ได้ทำบุญกับเขาเพราะเราไปซื้อซื้อของจากเขาเขาให้ของเราเขาก็ไม่ได้บุญเราก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าเราไปที่ร้านเขาแล้วเราอยู่ดีๆเราก็ให้เงินเขาแล้วบอกว่าอยากให้คุณมีกําไร์แต่ไม่ต้องการของจากคุณอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าได้ทำบุญหรือเขาเห็นเรายากจนเราเดินเข้ามาในร้าน รูว่าถ้าทางไม่มีเงินจะซื้อของเขาก็ให้ของเราโดยไม่เก็บเงินเราอย่างนี้เขาก็ได้บุญนะต้องให้อย่างเดียวไม่มีการตอบไม่มีการตอบแทนถึงจะเรียกว่าเป็นบุญถ้าเป็นการยื่นหมูยื่นแมวนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญอย่างสมัยนี้บางทีไม่ได้ทําบุญนะไปวัดเนี่ยเขาบอกว่าทําบุญร้อยบาทจะได้พระหนึ่งองค์เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทําบุญแล้วเป็นการซื้อขายกันทําบุญแล้ว ไปซื้อพระกันง่ายอันนี้ต้องเข้าใจเม่งั้เดี๋ยวจะงงว่าทําทําบุญทํำยังไงทําบาปทํำยังไงบางคนทำว่าทําบุญแล้วไม่ไม่ได้บุญก็ไม่รู้ว่าไปดูบุญตรงไหนถ้าไปดูบุญบางคนคิดว่าทําบุญแล้วต้องร่ำรวยอย่างนี้ก็ผิดละเพราะคนทําบุญจริงๆมันต้องยากจนถึงเงี้ยได้ทําบุญใช่มไหมถ้าทําบุญแล้วร่ํารวยแสดงว่าไม่ได้ทําบุญแล้วเป็นการค้าขายเป็นการลงทุนเนี่ย ทำบุญมันต้องขาดทุนต้องเสียเปรียบทีนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญถ้าทำบุญแล้วกำไรได้เปรียดนี่เรียกว่าไม่เป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการค้าขายเป็นธรมาค้าขายกันนี่เรื่องของคำสอนของพระเจ้าข้อที่สอง และยังมีข้อที่สามต้องทำอีกข้อหนึ่งข้อนี้สำคัญที่สุดคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเรายังมีตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราซึ่งเป็นตัวที่หนักกว่าการกระทำบาป นั่นก็คือกิเลสตัณหาไอ้ตัวนี้แหละสร้างความทุกข์ให้เราได้ตลอดเวลาเพียงแต่คิดโลภอยากได้ปุ๊บก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีโดยที่ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยเห็นเขามีตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งของเขาก็ทุกข์ละหรือเราอยากได้ตำแหน่งแต่เขาได้ไปเราไม่ได้เราก็ทุกข์ละเราก็เสียใจขึ้นมาละไอ้ตัวนี้พระเจ้าบอกต้องมากำจัดให้ได้ ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากสามประการคือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไอ้สาตัวนี้ถ้ามันมีอยู่ในใจโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจทันทีนอกจากสร้างความทุกข์ในปัจจุบันแล้วมันยังเป็นตัวที่จะดึงให้ใจของเหล่านี้ ต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆต้องไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆพอได้ร่างกายใหม่มันก็จะพาให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงก ล, ลิ่นรสเราก็อาจจะให้เราไปทำบาปเพื่อที่เราจะได้ความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราต้องการถ้าเรากำจัดความโลภความอยากนี่ได้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์ใจอีกต่อไปแล้วใจของเราจะไม่มีการกระทำบาปอีกต่อไป เพราะไม่มีความโลภความอยากเราจะไปทำบาปทำไมถ้าคนเรามีความสุขนั่งอยู่เฉยก็มีความสุขอย่างโบราณเขาว่าอยู่เป็นสุขเนีพออยู่เป็นสุขแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยเฉยก็มีความสุขไอ้ที่ต้องไปทำนูน่นทำนี่ก็เพราะมันยังไม่สุขไอ้ที่มันไม่สุขก็เพราะมันยังมีความอยากนี่เองยังมีความโลภความโกรธความหลง มันก็เลยต้องไปทำนู่นทำนี่แล้วดีไม่ดีก็เลยต้องไปทำบาปแทนที่จะได้ความสุขจากการไปทำนู่นทำนี่กลับได้ความทุกข์ขึ้นมาอีกโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือตัวสำคัญที่สุดก็ต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากแล้วใจจะสงบใจจะมีความสุขตลอดเวลาใจก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป อันนี้หละเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดที่ไม่มีในศาสนาไหนศาสนาอื่นนี้เขามีสอนเรื่องการไม่ทำบาปเรื่องการทำบุญแต่เรื่องการชาระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจนี้ไม่มีใครรู้มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนพวกเราโชคดีที่ได้มาเจอ ความรู้ที่ครบบริบูรณ์ความรู้ที่ครบบริบูรณ์ที่จะมาช่วยปลดปลื้งความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปนี้ต้องประกอบด้วยการกระทำสามข้อนี้คือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวง 2. ส, สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสชํชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงกาจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ แล้วใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอใจก็ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปทำอะไรอีกต่อไป น, นี่คือเรื่องของการมาวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้เรื่องของความเป็นความตายของเราว่าความตายของเรานี้มันเป็นอย่างไรกันแนะ่อะไรตายอะไรไม่ตาย ไอ้สิ่งที่ตายมันไม่รู้ว่ามันตายมันเป็นดินน้าหนุนไฟไอ้ตัวที่รู้มันไม่ได้ตายแต่มันต้องไปรับผลบุญผลบาปมันต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้ามันได้มาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปมันก็จะไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปใบ เ, เวียนไหวาตายเกิดไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าเรารู้แล้วถ้าเราไม่นำไปปฏิบัติก็ยังไม่เกิดผลถ้าจะให้เกิดผลก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติคือชาระกำจัดความอยากละการกระทาบาปสร้างบุญสร้างกุศล และชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำได้ทั้งสามข้อนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปใจที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปทุกข์ไปวุ่นวายกับอะไรต่อไปก็จะไม่มีอีกต่อไปนก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในการสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแต่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหฮาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชาตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยะธามณิจดีหราโสยะธาสัพพิตโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาธนาสริทธานิจจงวุฒาปจายโนจตารโหธรมมวาทาติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เข้ามาทาง f a c e b o o สอง5 y อ u ห้าสิบห้าสอง้เจ็สิบหก วิทยุออนไลน์13รับฟังบนข่าว56รวมทั้งหมด600ค่ะอมพอดีเลยนะไม่มีเศษเลยนะ <laughs> <laughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่องถามคําถามใครมีคําถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าเป็นคําถามไม่อยากจะให้รู้ว่าใครเป็นคนถามก็ใส่กระดาษส่ง เขีนใสกระดาษส่งข้อความเข้ามาแต่ถ้าไม่สนใจคิดว่าเป็นวิทยาทานปัญหาของเราก็เป็นปัญหาของคนอื่นเราอยู่ในหม้อเดียวกันการมีปัญหาอย่างไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอกันเหมือนกันเห็ And, ก็ถือว่าเป็นการ เป็นเหมือนกับลอยจากร่างกายแม้เวลาตายก็ลอยจากร่างกายให้นักศึกษาแพทย์เ็าจะได้ศึกษาร่างกายของเราเรามีปัญหามีความทุกข์ใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เอามาถามคนที่เขายังไม่มีพอเขาได้ยินเขาจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนว่าเอออย่าไปสร้างปัญหาแบบนี้นะปัญหามันมีเหตุถ้าเรารู้เหตุว่ามันเกิดจากอะไร ถ้าเราระ ง, งับเหตุได้ต่อไปปัญหามันก็จะไม่เกิดเห็นบางทีฟังปัญหาของคนอื่ น, นจะช่วยเราสอนเราไว้ล่วงเตือนเตือนเราล่วงหน้าไว้ก่อนว่าอย่าทำแบบนี้นะทำแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมามีคำถามไหมจาก YouTube นะคะคุณสุวพัฒ์ ปฏิบัติภาวนามาได้สามปีแต่ก็ยังมีความไม่พอใจหงุดหงิดใจากฏอยู่โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวกับคนอื่นไม่ค่อยโกรธแล้วเช่นนี้ถือว่าปฏิบัติถูกทางหรือไม่คะถูกทางแต่อาจจะไม่ได้ผลเพราะอาจจะปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติมากผลมันจะต้องเกิดความหงุดหงิดใจมันจะลดน้อยถอยลงไป การปฏิบัติที่ถูกต้องต้องควบคุมใจควบคุมความคิดที่ไปสร้างความหงุดหงิดใจขึ้นมาเองความหงุดหงิดใจนี้เกิดจากใจไปสร้างความอยากต่างๆขึ้นมากับบุคคลนั้นกับบุคคลนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็เกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาะเราต้องคอยควบคุมความอยากด้วยการหยุดความคิดและสอนใจว่า เราไปเปลี่ยนคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้หรอกเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบเขาก็เป็นเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งเขาเป็นกล้วยแต่เราอยากให้เขาเป็นส้มอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาเป็นกล้วยก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นกล้วยไป อาจจะบอกเขาก็ได้ว่าอยากจะให้คุณเป็นส้มคุณเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้ช่วยเปลี่ยนให้หน่อยอคุณชอบดื่มสุราอยากให้คุณเลิกดื่มสุราคุณเลิกดื่มได้ไหมอย่างนี้ก็บอกเขาได้พูดดีๆก็ได้อให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปถ้าเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้ก็จบต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องหงุดหงิดเจ อ, เ, อเขาก็จะได้ไม่หงุดหงิดว่าเจอเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าระดับปัญญา ถ้าคิดในระดับปัญญาไม่เป็นก็หยุดหยุดความอยากทุกครั้งเจอหน้าเขาก็พุโทโธพุโทโธไว้ตาใจเฉยๆอย่าไปหวังอะไรจากเขาใจก็จะไม่หงุดหงิดจะไม่ลำคาญใจคำถามต่อไปนะคะจากคุณแอบ้านสวนโชคไพยบูถาานะถ้าชาตินี้ทำบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์แต่ถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็ไปอบาย สงสัยว่าบุญกับบาปที่ใช้ตัดสินบุญกับบาปที่ทำในชาตินี้หรือสะสมรวมกันมาจากชาติก่อนๆด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มีทั้งของเก่าด้วยชาตินี้ก็มาเติมเพราะบุญกับบาปมันมันไม่หมดลงไปที่ศูนย์มันจะตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นช่วงที่บุญกับบาปมันมีปริมาณพอๆกัน บุญก็เลยไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอบายได้มันก็เลยพาให้เรามาอยู่เป็นมนุษย์กันพอเป็นมนุษย์เราก็มาเพิ่มบุญเพิ่มบาปใหม่ต่อไปคำถามกรอบต่อไปนะคะบวชเป็นพระแล้วสามารถกราบมารดาเพื่อขอขามาจะผิดไหมคะ ข้อสองถามเรื่องสินข้อหนึ่งค่ะเราฆ่ามดแมลงโดยที่ไม่ได้เจตนาสินจะขาดไหมคะจะต้องสมาทานสินใหม่หรือเปล่าคะการการบิดามนดานานี้ถ้าเป็นพระก็เขาไม่นิยมมันไม่เป็นธรรมเนียมเพราะถือว่าการเป็นพระนี้ มีสถานภาพที่สูงกว่าบิดามารดาพาะพระนี่เขายกย่องว่าเป็นผู้มีศีลส่วนบิดามารดาคนที่ไม่ได้บวชนี่ยังศีลไม่บริบูรณ์ก็เลยถือว่าเป็นผู้ที่ต่ำกว่าแต่ถ้าอยากจะกราบก็กราบรูปของพ่อของแม่ก็ได้กราบคนเดียวในห้องแต่ถ้าเราอยู่ในที่สาธารณะนี้มันก็ไม่ใช่เป็นธรรมเนียมของการกระทำของพระ พระนี้ไม่กราบแม้แต่พระมาหากษัตริย์นะพระเจอพระมาหากษัตริย์นี้ก็ไม่กราบมีแต่พระมาหากษัตริย์นี้จะต้องกราบพระแม้จะเป็นพระที่เพิ่งบวชในวันเดียวมียกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องกราบเนี่ยในหลวงนี้ท่านทํางานโครงการพระราช ด, ดําเริแล้วท่านก็มีข้าราชาการต้องรับใช้เช่นอธิบดีกรมต่างๆชมชนประฐานชมอะไร พอตอนที่พระ อ, องค์ทรงมีอายุหกสิบพวกข้าราชการเหล่านี้ก็บวชถวายเป็นทราชกุศลพระเจ้าแผ่นดินท่านก็นิมนต์ไปวังเพื่อให้ไปรับสังฆทานแล้วท่านก็ไปกล่าวพวกนี้พวกที่เขาเคยเป็นลูกน้องท่านแต่พอเขามาเป็นอพอเขามาเป็นพระปั๊บนี่ท่านก็ถือว่าท่านเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือน มีสถานภาพที่ต่ำกว่านิมนต์ข้าราชการที่เคยเป็นลูกน้องรับใช้ท่านตอนนี้ปวดเป็นพระแล้วท่านก็ไปกาบเขาอันนี้คือเรื่องของสมมุตินิยมหรือคำนบ ร, รมเนียมประเพณีของการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างถูกต้องคือเรายกย่องคนที่เท่าสูงกว่าด้วยศีล เราวัดกันที่ศีลคนที่มีศีลนี้ถือว่าเป็นคนที่สูงกว่าคนที่ไม่มีศีลดังนั้นพ่อแม่เห็นไหมพอพระออกมาจากโบสถ์นี้ก็ยังกราบลูกเลยกราบได้อย่างสนิทใจแต่ลูกนี้ไม่ต้องไปกราบอยากจะกราบพ่อกลับแม่ให้กราบด้วยการปฏิบัติตนเองเรียกว่าปฏิบัติบูชาพระอยากจะเป็นพระแล้วอยากจะบูชาใครพระพุทธเจ้าบอกให้บูชาด้วยการปฏิบัติ ประดัปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ถือว่าเราเป็นการบูชาทดแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายคำถามต่อไปจากคุณบริสกเซล กลับนมัส ก, การพระอาจารย์โยแม่ได้ส่งลูกชายบวชเรียนมนหนึ่งเมื่อเดือนพคเพราะเกรงว่าถ้าอยู่เรียนทางโลกแล้วกลัวจะโดนชักชวนไปติดสิ่งเสพติดต่างๆเพราะเป็นคนหัวอ่อนเชื่อคนอื่นง่ายก่อนจะบวชเรียนลูกชายก็ไม่ติดขัดบวชก็ได้เพราะบวชฤดูร้อนมาสามครั้งแล้วแต่เวลาไปเยี่ยมดูเงียยพูดน้อยหน้าเศร้ามีเพื่อนแกล้งบ้างใจหนึ่งอยากรับให้ไปลาศิกขาใจหนึ่งเรียน ไปก่อนจบสักมสามโยมแม่ก็อยากจะไปบวชเหมือนกันคำถามคือโยมแม่จะบาปไหมเจ้าคะจะทำใจอย่างไรดี อ, อ๋อไม่บาปหรอกให้ลูกบวชนี่เป็นบุญจะตายไัเป็นเรื่องธรรมดาเวลาบวชแล้วใจมันจะมันจะไม่คึกขนองมันจะรู้สึกเศร้าๆนิ่งๆเพราะว่าต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมนั่นเอง เห็นไม่เป็นเป็นความเสียหายความเศร้าแบบนี้เป็นความเศร้าสู่การหลุดพ้นจากความเศร้าคนเราก่อนจะหายเศร้าได้นี่มันจะต้องไปกําจัดความเศร้าช่วงที่กําจัดนี่มันจะรู้สึกเศร้าเพราะมันจะไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทํานั่นเองแต่พอกําจัดสิ่งที่ทําใจให้เศร้าหมดไปแล้วต่อไปความเศร้าก็จะไม่มีอยู่ในใจ นั่นถือว่าเป็นบุญถ้าให้เขาบวชได้อย่าไปดึงเขาออกมาปล่อยให้เขาออกมาเองถ้าเขาอยากจะสกเสกก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเขายังไม่อยากจะศึกอย่าไปดึงเขามาเขาอยู่ในที่ที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของทุกๆคนก็คือการบวชนี่ไม่มีอะไรจะให้กับชีวิตจิตใ จ, จของเราได้ดีเท่ากับการบวช ถ้าบวชได้จริงๆปฏิบัติได้จริงๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะทำได้ต่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อให้เป็นปรธานาธิบดีเป็นมหาจั ก, กรพรรดิก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีการบวชนี้เท่านั้นแหละที่จะทาให้เกิดขึ้นมาได้ จากคุณสุภชัยนะคะดวงจิตที่เกิดเป็นมนุษย์บางคนเป็นโรคดาวซินโดมเป็นเพราะเหตุใดครับเกิดจากการขาดสตินี่สตินี่เป็นตัวที่จะทำให้คนเราสูงหรือต่าขึ้นหรือลงนี่อยู่ที่กำลังของสติสตินี้เป็นตัวควบคุมจิตใจถ้าไม่มีสติจิตใจมันก็จะไปตามความรู้สึกนึกคิดของมันถ้ ไปทางต่ำมันก็จะไปต่ำถ้าไปทางสูงมันก็จะไปสูงแต่ยากเพราะโดยโดยหลักแล้วการไปสูงนี้ต้องมีสติดึงไปแต่การลงต่ำนี้มันไปโดยธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสตัณหามีอะไรคอยดึงให้ลงต่ำ จกคุณไม้กิติการขอถามพระอาจารย์ได้เกิดเหตุวิปลาสได้เกิดเหตุวิปลาสกับผมก่อนหน้านั้นอารมณ์จิตของผู้เขียนคือนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าสุดหัวจิตหัวใจแต่อยู่ๆวันหนึ่งจิตของผู้เขียนคิดปรามาย์พระพุทธเจ้าทุกครั้งที่นึกถึงพระองค์และพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพโดยตโดยที่ตัวผู้เขียนเองไม่สามารถห้ามความคิดชั่วนี้ได้เลยตอนนั้นผู้เขียนรู้สึกตกใจและทุกข์ใจมากไม่ได้ถามต่อแค่นี้เราก็หายไปข้ามนะคะไม่เป็นไรก็เล่าไปข้าากระ กราบนมัสยิดพระอาจารย์ขอเรียนถามว่าเวลาจิตรวมจะมีอาการเหมือนวูบหลับแต่ไม่ได้ง่วงใช่หรือไม่ครับแต่ภายหลังที่จิตรวมแล้วจะมีอาการนิ่งสงบปราศจากความคิดใช่หรือไม่ครับเวลาจิตสงบมันเหมือนกับตกลงจากที่สูงลงมาเหมือนจะวูบลงไปแต่ขณะนั้น จ, จิตมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วก็พอ พอพอนิ่งแล้วก็จะไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรจะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้รู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้มีความสุขมากรู้ว่าตอนนี้อยู่กับความว่างรู้ว่าใจตอนนี้เป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์กราบขอถามขอโอกาสถามพระอาจารย์ มีอยู่สองข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งในขณะที่ภาวนาหากจิตมีความรู้สึกว่าจะนึกคิดถึงเรื่องราวต่างแต่ก็ไม่สนใจดึงจิตให้อยู่คำภาวนาอย่างเดียวและพยายามรักษาให้จิตอยู่แต่คำภาวนาอย่างเดียวนี่คือถือว่าเรามีสติใช่ไหมครับ เป็นการสร้างสติถ้ามีสตินี้ไม่ต้องใช้คำภาวนาเพียง ส, สั่งให้มันหยุดคิดมันก็หยุดพอรู้ว่ากำลังคิดให้อย่าคิดว่าแค่นี้มันก็หยุดแต่ถ้ามันไม่ยอมหยุดก็ต้องใช้การภาวนามาหยุดมันคือแสดงว่าสติเรายังมีกำลังไม่พอต้องสร้างสติขึ้นมาในขณะนั้นโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป พราะเวลาที่เราพุโทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ข้อสองผมยังกับท่านเดิมนะคะข้อสองผมยังมีความสงสัยและยังคงไม่เข้าใจครับว่าจิตที่เป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าจิตเป็นสมาธิแล้วไม่ได้อยู่กับขั้นของความสงบกราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์ S <S <an ther ängen> ก็เหมือนคนที่กินข้าว อ, อิ่มแล้วกับคนที่ยังไม่ได้กินข้าวเนะรู้ไหมต่างกันไหมเวลาหิวข้าวนี่มีความรู้สึกอย่างไรเวลากินข้าวอิ่มแล้วมีความรู้สึกอย่างไรสมาธิก็เป็นอาหารของใจนะพอใจมีความสงบแล้วใจจะอิ่มถึงแม้จะออกจากสมาธิมาแล้วมันก็ยังอิ่มอยู่เหมือนกับกินข้าวพอออกจากร้านอาหารมาแล้วมันก็ยังอิ่มอยู่ทีนี้พร้อมที่จะไปทางานได้นะ เวลาหิวนี้ใจไม่อยากจะทำเวลาคนเราหิวข้าวนี้จะให้ไปทำงานมันไม่ไปหรอกแต่พอให้กินอิ่มแล้วทีนี้มีกำลังแล้วสบายแล้วทีนี้เรียกไปใช้งานก็ไปได้นี่นี่คือสมาธิของใจเป็นอาหารก่อนที่จะพาใจไปทำงานคือไปศึกษาความจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาต้องให้ใจกินอาหารก่อน ให้ใจมีอาหารมีความสงบมีความอิ่มความเย็นความสบายพอสบายแล้วทีนี้ก็ส่องให้ไปศึกษาร่างกายว่าร่างกายเที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นเราหรือไม่ได้เป็นเราเป็นดินน้ำลมไฟหรือเป็นอะไรศึกษาไปค้นคว้าไป ต่อไปก็จะเห็นความจริงของร่างกายแล้วต่อไปก็จะไม่หลงไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามหรือว่ามันก็เป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเจ้าของตุ๊กตานี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายคือจิตที่มาครอบครองร่างกายนี้เป็นเหมือนเจ้าของตุก๊กตาร่างกายนี้เป็นเหมือนตุก๊กตาเวลาตายไปเช่นเวลาพ่อหรือแม่ตายไป เพียงแต่เป็นตุ๊กตาของพ่อหรือแม่ที่ตายตัวพ่อหรือตัวแม่ไม่ได้ตายตัวพ่อตัวแม่คือใจไม่ได้ตายตัวพ่อตัวแม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปแล้วก็ไปเกิดใหม่หลังจากที่ได้รับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วจากคุณสุภชัยนะคะการเล่นแชร์การเล่นหุ้นผิดศีลหรือไม่ครับ้น อ, อยู่ว่าเราเล่นแบบไหนนะ เล่นแบบการพนันก็ผิดถ้าเล่นแบบเป็นการลงทุนใช้เหตุใช้ผลใช้ข้อมูลเป็นการทำค้าเป็นการทําธุรกิจมันก็ไม่ผิดอย่างนอยู่ที่เราเล่นแบบไหนบางคนซื้อเช้าขายเย็นนั่นเกินกำไรอันนี้เล่นแบบการพนัน เกงว่าไอ้หุ้นนี้ตัวนี้เย็นนี้ต้องขึ้นเนี่ยนตอนเช้าซื้อไว้ก่อนพอมันขึ้นปุ๊บจะได้ขายจะได้กําไรออันนี้เหมือนแทงลอตเตอรี่ว่าเลขนี้มันจะต้องออกอะไรแทงลอตเตอรี่กันแล้วถ้าเกิดมันไม่มันไม่มันไม่ขึ้นจะทําไงมันตกจะทําไงก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าลงทุนแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาธุรกิจมันก็หุ้นมันก็มีขึ้นมีลงแต่เราดูผลทั้งปีว่ามันออกมาอย่างไรสิ้นปีแล้ว มีปันผลไหมมีหุ้นราคา เพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นมีปันผลก็เรียกว่าเป็นการซื้อแบบลงทุนซื้อแล้วก็เก็บไว้ไม่ต้องมานั่งเครียดอยู่กับมันทุกวันมาดูว่่าามมมัันนนขึ้หหรหรืืออลลงเปคอยดูตอนสิ้นปีเวลาที่เขามีประกาศปันผลเอถ้าขาดทุนก็อาจจะเปลี่ยนหุ้นนี้ไม่ดีก็ขายทิ้งไปไปหาหุ้นที่มีราคาดีมีปันผลดีอ อันนี้ถ้าทําอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการพนันนะเป็นการทําธุรกิจนะคนเราต้องทําธุรกิจซื้อของมาแล้วก็เก่งกําไรใช่ไหมซื้อมาม่วงมาก็ต้องเก่งกาไรว่าต้องขายได้มากกว่าที่เราซื้อมาถ้าซื้อมาแล้วขายขาดทุนก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมออันนี้ก็เหมือนกันถ้าทําแบบธุรกิจนี้ไม่ไม่ได้เป็นอบา ย, ยามุกแต่ถ้าทําแบบเก่งกําไรเล่นแบบ คิดไปตามความรู้สึกนึกคิดเนี่ยอันนี้อาจจะเรียวกว่าเป็นการเล่นการพนันเนี่ยจากคุณชอบเพชรหนูทําบุญบ่อยๆแต่ทําไมยังฝันร้ายอยู่เจ้าคะก็บาปเก่ามันยังอาจจะเยอะกว่าบุญเพิ่งมาเริ่มทําบุญในตอนนี้เมื่อก่อนไม่เคยรู้จักบุญลทําบาปเปน็นานพอเริ่มมาทําบุญได้ไม่กี่ปีกี่เดือนก็อยากจะให้ผลมันเกิดขึ้นทันทีมันก็ไม่เกิด หมดแล้วเพราะะนั้น บ, บางทีทําอะไรแล้วยังไม่เกิดผลต้องต้องโทษบาปเก่าหรือบุญเก่าเลยว่ามันยังเ อ, อมีอยู่ในใจอยู่<ช>เราทําบุญตอนนี้เรามาเริ่มทําไม่ได้นานแต่บาปที่เราอาจจะทํามาตั้งแต่ตั้งนานแล้วบาปมันในใจมันเยอะกว่าบุญก็เหมือนกับเราจะเปลี่ยนรถแกงเนี่ยถ้ามัน ถ้ามันหวานเราอยากจะทําให้มันเค็มเราก็ต้องใส่น้ําปลาลงไปเยอะๆใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปหยดสองหยดแล้วจะให้มันเค็มขึ้นมาทันทีมันก็ยังไม่เค็มต้องใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าอน้ำปลามันมีมากกว่าน้ําตาล น, นี่รสเค็มมันก็จะเริ่มชัดขึ้นมาชัดขึ้นมารสหวานมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายัางฝันลายอยู่ก็แสดงว่าอันนี้เป็น ความฝันนี้เป็นเป็นมาตรวัดความมาตรวัดบุญวัดบาปที่มีอยู่ในใจถ้ายังฝันลายอยู่ก็แสดงว่า <Okay. S 1> บาปยังมีมากอยู่กว่าบุญนะนั้นต้องรีบทำบุญให้มากขึ้นจากคุณ <c oughs> วิชัย <c oughs> กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการสวดมนต์ให้ผู้อื่นใช้คําลงท้ายว่าเตผู้ที่เราสวดให้นั้นจะได้รับผลบุญ นั้นจริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอการสวดบนนี้สวดให้ผู้สวดเท่านั้นเองเพราะการสวดมนต์นี้เป็นการฝึกสมาธิเป็นการฝึกสตินั่นเองคือแทนที่จะถ้าเราไม่สวดมนต์เราก็จะนั่งคิดปุ่งแต่งคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆขึ้นมาพอเรามานั่งสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดบทไหนสวดสั้นสวดยาว ใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่คิดพุ่งสรางต่างๆการการสวดให้คนอื่นนี้ความจริงเป็นการซ้อมเข้าใจไหมซ้อมว่าเวลาเราเจอเขาเราต้องทําความดีทําให้เขามีความสุขเช่นเวลาเราสวดบทแผ่เมตตานี้เราไม่ได้ให้เมตตาเขานั้นตอนที่เราสวดอะเราเพียงแต่ซ้อมสอนใจว่าการให้ ความสุขแก่ผู้ทำอย่างไรเชออ่นให้อภัยเวลาเขาทำร้ายเราทำให้เราเสียใจเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม อ, อ, อย่างนี้เรียกว่าเป็นการซ้อมก่อนเรียนรู้ก่อนวิธีไม่งั้นเช่นนั้นเดี๋ยวเวลาพอเวลาไปพบปะกันพอเขาไปพูดเขาไปทำอะไรทำให้เราโกรธขึ้นมาเราจะระ ง, งับไม่ไดออ้แต่ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนวนะ่าวิธีระ ง, งับความโกรธทำังไง ให้อภัยเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมเขาพอพอเขาทำให้เราโกรธปั๊บเราก็ให้อภัยเขาเลยจากคุณนัดเลิฟหลวงพ่อครับสัตว์รชาญเกิดมาจากอะไรหรือครับเกิดมาจากบาปเตอนที่เขาตายบาปมันของเขามากกว่าบุญ ขณะที่เขาอยู่เขาทำบาปโดยที่เขาคิดว่าไม่เป็นบาปเนี่ยพวกที่มีอาชีพฆ่าสัตว์เป็นอาชีพนี้ก็าบอกไม่บาปเนีป็นการเลี้ยงาปากเลี้ยงท้องเลี้ยงเลี้ยงชีวิตของเขาแต่ตามหลักของกฎแห่งกรรมมันบาปแต่ทาตามการกระทำความเข้าใจของคนนำคิดว่าไม่บาปถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาปเรียกว่าเป็นเดรัจฉานตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภตายไปก็จะไปเป็นเปรตนะจากคุณปานจิตนะคะพิมมาอย่างนี้นะคะกราบขอถามเจ้าค่หลวงพ่อถ้าทำธุระจิตเราอ่านกำไรอย่างนี้เราไม่ทําผิดศีลใช่ัหมคะหลวงพ่อน่าจะทำธุรกิจแล้วเราเอากำไรคือเอากำไรโดยไม่ำทำ<ร>บาปก็ไม่ผิดศีลถ้าเอากำไรด้วยการทำบาปก็ผิดศีลเช่น เอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขายแล้วโฆษณาว่าเป็นของมีคุณภาพอย่างนี้ก็เป็นการโกหกหลอกลวงเป็นการช่อโกง ก, ก็บาปหมดแล้วเลยการทำบุญหรือทำบาปนี้เราให้ดูดูที่ใจเป็นผู้รับผลดูที่ความรู้สึกแล้วจะไม่ ไม่ผิดหวังจะไม่สับสนถ้าเราไปดูที่ผู้อื่นที่เขาจะทำอะไรให้กับเราจะเกิดความสับสนได้อย่างที่มีคำพูดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปเก็พวกที่เอาอกเอาใจเจ้านายทำบาปให้กับเจ้านายเจ้านายก็ชอบสิเจ้านายก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้ไดออ้อันนี้ไม่ใช่เป็นผลของการกระทำ ของการกระทำบุญคือทำความดีเป็นผลจากการที่เราไปทำบาปแล้วถูกใจเจ้านายเจ้านายก็เลยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนอื่นก็เห็นก็ไว้คนนี้มันทำเชื่อแต่ทำมันมันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ออก็เพราะว่าทำให้เจ้านายเจ้านายชอบใจก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เขาไป ทำชั่วได้ดีมีถมไปใช่ไหมทำดีได้ดีก็ทำตรงไปตรงมาไม่เอาใจเจ้านายทำตามกฎตามระเบียบเจ้านายก็ไม่พอใจเลยเจ้านายอยากจะได้ให้นู่นอห้นี้ให้มันอให้มันผิดกฎผิดระเบียบมันไม่ยอมทำผิดกฎผิดระเบียบเจ้านายก็ไม่พอใจก็ถึงเวลาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ไม่เลื่อนให้อย่างสิก็ถึงเรียกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไป อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำบุญหรือทำบาปทำบุญหรือทำบาปถ้าเราทำซื่อสัตย์สุจติดเราไม่ได้รับตำแหน่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เรามีความสุขใจที่เราไม่ได้ไปทำผิดแต่ถ้าเราทำผิดแล้วเราได้รับตำแหน่งใจเราทุกข์ใจเราไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะรู้ว่าถึงแม้จะได้ตำแหน่งมีหน้ามีมตามีคนยกย่องแต่ใจเรามันรู้อยู่ในใจว่าไม่มีความสุข พราะฉะอย่าไปดูที่รางวัลตอบแทนให้ดูที่ใจของเราแล้วกฎแห่งกรรมจะไม่สับสนแต่ถ้าไปดูการรับผลจากผู้อื่นนี้จะเกิดการสับสนขึ้นมาได้คํำถามต่อไปจากคุณฟูนะคะการที่เรายังไม่ได้ถือสินแปดแต่เราก็ยังหมั่นภาวนาอยู่เสมออย่างนี้ดีหรือเปล่าครับพระอาจารย์ก็ดีเพียงแต่ว่ามันจะได้ไม่มากเนี่ย อาจจะได้เล็กๆ น, น้อยๆเพราะผู้ที่ถือศีล5นี่ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ไปทำได้อยู่พอจะนั่งสมาธิบางวันเพื่อนมาชวนไปดูหนังก็ไปแต่ถ้าถือศีล8นี่เพื่อนมาชวนไปดูหนังก็ไปไม่ได้วันนี้ถือศีล8ก็จะได้มีเวลามาภาวนาได้ เห็นการการถือศีลแปดนี้เพื่อตัดกิจกรรมต่างๆที่จะแย่งเอาเวลาของการปฏิบัติไปนั่นเองคุณฉันก็รักของฉันแม่ต้องร้องไห้น้ำตาตกด้วยความน้อยใจกับเราเป็นบาปมากไหมเจ้าคะเคยอ่านเจอในหนังสือธรรมะใครทำให้พ่อแม่น้ำตาตกจะตกนรกอย่างเดียวจริงไหมคะไม่จริงหรอมันอยู่ที่ว่าการกระทาของเรานี้ ไปทำให้พ่อแม่เขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าทำแล้วให้พ่อแม่เสียหายเดือดร้อนเช่นไปขโมยเงินของพ่อของแม่ไปใช้อย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่เสียใจอย่างเงี้บาปแต่ถ้าเราเป็นคนดีเราไม่โกหกไม่ไปขโมยแต่พ่อแม่อยากให้เราไปโกหกไปขโมยเราไม่ไปทำตามที่พ่อแม่อยากให้ทาแล้วพ่อแม่เสียใจอย่างนี้ไม่บาป เป็นเป็นบาปของพ่อแม่เองที่ไปอยากให้ลูกไปทําบาปแล้วลูกไม่ไปทําตามที่พ่อแม่ต้องการทําตามนะเป็นพ่อแม่บางคนเสียใจเพราะลูกไปบวชเนี่ยร้อ ง, อ ง, องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจอย่างนี้ไม่บาปเพราะการกระทําของลูกไม่ได้ไปทําอะไรให้พ่อแม่เสียหายหเดือดร้อนมีแต่พ่อแม่ไปเดือดร้อนแทนลูกเองเพราะไม่ไปทําตามความอยากของพ่อแม่ อย่างพ่อพระพุทธเจ้าก็ทุกข์เสียใจเวลาที่พระพุทธเจ้าไปบวชนี่อย่างนี้ไม่บาปนะแล้วพอหลังจากที่ตัดสรุปแล้ว ก, กลับมาช่วยพ่อให้เป็นพระอรหันต์ต่อไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนธรรมดาสามารถบรรลุได้ไหมคะพระอาจารย์เป็นคนอะไรก็ได้ทั้งนั้นอะขอให้มี การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนถ้าละการกระทำบาปได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ชำระกิเลสตัณหาได้ก็บรรลุได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม <c oughs> เป็น<า>มหาจนยังบรรลุได้เน่เป็นองคุลีมารฆ่าคนมาแล้วต้องเก้า้อยเก้าสิบเก้าคนก็ยังบรรลุได้จากคุณเล็กนะคะ ปกติสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอยู่มาวันหนึ่งก็มีจิตอกุศลมีความคิดปราโมทยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาคิดดีทดําดีก็มีจิตแบบนี้ขึ้นมาต้องทํำยังไงคะต้องจัดการแก้ไขยังไงคะแล้วแบบนี้จะเป็นบาปไหมคะก็อย่าไปสนใจหรือด่าตัวเองกำลังเป็นบ้าหรือเปล่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ดีตรงไหนใช้เหตุใช้ผลว่ามันไปนี่ จากคุณวิชัยนะคะกราบพระอาจารย์ครับการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากใช่ไหมครับมันอยู่ที่เราตั้งใจจะทำการคิดการทำการให้จิตเราเบิกบานถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ถูกหรอกตั้งใจแล้วถ้าไม่ทำมันก็ไม่เบิกบานทตั้งใจแล้วต้องทำมันถึงเช่นวันนี้ตั้งใจจะใส่บาตรพอถึงเวลานอนครอ้ครอคลอ ไม่ไม่มีผลเกิดขึ้นความตั้งใจการทำบุญนี้ต้องได้มีการกระทำถึงจะมีผลเกิดขึ้นการตั้งใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอตั้งใจแล้วต้องทำแล้วถ้าทำใส่องค์เดียวก็ได้บุญน้อยกว่าใส่สององค์ ใส่องค์เดียวก็มีความสุขององเดียวถ้าใส่สององก็จะมีความสุขสององทรมากก็ได้มากเหมือนกินข้าวกินข้าวชามหนึ่งก็อิ่มชามหนึ่งกินสองชามก็อิ่มสองชามนั้นไม่ใช่อยู่ที่ความตั้งใจอย่างเดียวต้องอยู่ที่การกระทำด้วยแล้วการกระทำก็ต้องมากน้อยมันก็มีผลต่างกันด้วย จากคุณสุกัญยานะคะการดูแลแม่เป็นอัลไซเมอร์ต้องทำให้แม่ไม่ถูกใจจะบาปไหมคะก็ขึ้นอยู่ว่ า, ามันเป็นคุณเป็นโทษกับแม่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณแล้วแม่ไม่ไ ม, ไม่ถูกใจก็ไม่ไม่ไม่บาปนะแต่อาจจะทำให้แม่ทุกใจ ถ้าอยากจะตามใจแม่ก็อย่าไปทำให้แม่ทุกข์ใจปล่อยให้แม่ทำไปตามความต้องการของแม่ก็แล้วกันถ้าเป็นโทษกับแม่แม่ก็เป็นผู้รับเองเช่นแม่หมอห้ามไม่ให้กินทุเรียนนี้แต่แม่ยังอยากจะกินทุเรียนอยู่เราก็คอยเอาทุเรียนไปเก็บไปซ่อนมาให้แม่กิน <c oughs> อย่าไปทำให้ท่านทุกข์เลยให้ท่านกินเถอะ <c oughs> เดียอยู่ได้ไม่นานก็ต้องตายนะ <c oughs> อยู่ไปนานๆแล้วทุกข์อยู่ไปทำไม อยู่สั้นๆแล้วมีความสุขไม่ดีกว่าหลวงพ่อครับผีมีจริงไหมครับก็มีอยู่สองชนิดนะผีจริงไม่หลอกผีหลอกผีหลอกไม่จริงะอี่งเช่นเย็นเย็นนี้ถ้าญาติโยมมานั่งอยู่นี่คนเดียวเดี๋ยวผีมาหาโยมนะ <c oughs> ตอนนี้ไม่ยอมมาม า, มาตอนตอนที่เราอยู่คนเดียวอันนี้เ็าเรียกว่าผีปลอมผีที่ใจเราสร้างขึ้นมาคิดมาเองโอ้ย <c oughs> ผีมาเราได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กอะไรนี่ผีมาแล้วอันนี้เรียกว่าผีปลอมผีปลอมคือผีที่เราสร้างขึ้นมาจากอุปทานของเราคิดปรุงแต่งไปเองส่วนผีจริงก็คือคนที่ร่างกายตายไปแล้วใจเขาก็ไปเป็นดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆถ้าเรามีพลังจิตเราก็สามารถติดต่อกับเขาได้อย่างพระพุทธเจ้าติดต่อกับผีชนิดต่างๆได้ติดต่อกับเทวดาเทวดาก็เป็นผีชนิดหนึ่ง ติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นผีทั้งนั้นน่ดวงวิญญาณก็คือผีคุณว น, นาค่ะการที่คนเราฝันร้ายตื่นนอนมารีบไปใส่บาตรจะทำให้เราเป็นสุขไหมเจ้าคะก็สุขช่วงที่เราใส่บาตร แต่ฝันร้ายยังอาจจะฝันต่อก็ได้เพราะว่าบุญที่เราทำไว้ยังไม่มากพอที่จะไปทำให้ฝันร้ายนั้นหายไปก็ต้องพยายามทาบ่อยๆทำมากๆใจเย็นๆบางทีของอันนี้มันไม่ใช่าเหมือนไฟฟ้ากดปุ๊บก็ติดฟับเนี่ยแต่ขณะที่เราใส่บาตรถ้าเราใส่ด้วยความเมตตาด้วยความเสียสละเราก็จะได้บุญได้ความสุขแต่ถ้าเราใส่เพื่ออยากจะกำจัด การฝันร้ายมันอาจจะไม่มีความรู้สึกก็ได้นั่นต้องอยู่ที่เจตนาด้วยของการทำบุญมหมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีถามจะปิดประชุมนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ